และก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยโยมบ้านนาคังโยมอุปธรรมประทักตะกรันก็พ่อบ้านกันนี่นะเป็นผู้พานำไหว้พระในวัดของเราเป็นทายกเสียไปเมื่อปีที่แล้วน่ะอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วก็มากพอสมควรแต่ปีนี้รู้สิวอแม่บ้านโยมผู้หญิงกระจากไปอีกห่างกันกับ มือถามเมื่อเช้าเนี่ยเอ้ยตากระยายห่างกันเท่าไหร่วะหนึ่งปีกับหนึ่งวันโอ้แสดงบรรนัดพบกันแล้วเนี่ยนะวะลุงหนวดลุงหนวดนัดพบกับยายเลยเนะี่ยว่ามันห่างกันทำไมมันห่างกันน้อยเหลือเกินหนึ่งปีกับหนึ่งวันนั่นแหละจากไปเมื่อวานเนี่ยเกิดแกเ่เก็บตายแต่ถึงยังไงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทท่าน่ะ ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันตายทุกคนคาว่าตายตายเขาไม้เห็นคนอื่นตายเนละเราก็ทาทาใจได้ก็ทำธรรมาดาละเกิดแก่เจ็บตายแต่พอตัวเองจะตายเขาจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันปากสัน่นมันขาอ่อนเข้ามาทันทีเหมืนั้นเลเออมันใจสั่นเข้ามาทันทีแล้วกันในความกลัวตายเนะี่ยมันไม่ใช่ธรรมาดาเพราะนั่นก่อนก่อนที่จะถึงวันนั้นเนะ่ พวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลไว้ก่อนพอเราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเราต้องเตรียมสมเบียงเอาไว้ในหลักของพุทธศาสนาเนะ่พระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพนะ่ะปุกเพในวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้น ะ, ะแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าตายแล้วไม่สูญ ถ้าศูนย์เราจะระลึกชาติผนหลังได้อย่างไรใช่ไหมถ้าไม่มีเมื่อวานเกิดพระโลผูะเลขขึ้นมาวันนี้วันเดียวเนยะไม่มีเมื่อวานเนะี่ยเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไงใช่ไหมที่ระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ก็เพราะมันมีเมื่อวานนี้มันจะมาถึงเมื่อนี้แล้วก็อนาคตเลยท่านี่อนาคตวันพรุ่งนี้มีไหมพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนะี่ยเราก็บอกว่ามีทาไมไม่เออมันมีได้อย่างเพราะมันเคยมีมามาก่อนแล้วนะนั่นแหละ ้ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายไม่เป็นถูกหลวงพ่อเคยพูดถ้าตายไม่เป็นเกิดมาแล้วเกิดคนนั้นเกิดยังคนนี้ก็ยังคนนั้นก็ยั ง, นนย ง, นนยงต่อไปมนุษย์มันจะอยู่ อ, อ, อยู่ในเข่งเดียวกั น, นเหมือนกันเหมือนกับอึ่งอ่างจับเข้ามาในเข่งเดียวกันพวกเราก็จะเอาอย่างนั้นไหม ตายไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยมาอยู่เหมือนกันอยู่ในเข่งเดียวกันทับซ้อนกันอยู่นะไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนตัวอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างบนมามันคนตายไม่เป็นใช่ไหมโอ้ยหลวงพ่อโอ้ยขอตายดีกว่าอยางนั้นเถอะถ้ามันอยู่ในเข่งอย่างนั้นนะเนอถ้ามันตายไม่เป็นจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงใช่ไหมเกิดมาบรรูุเท่าไหร่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีเลยเนีถ้ามนุษย์ตายไม่เป็นสัตว์ตัวไหนเกิดมาแล้วตายไม่เป็นมันจะมากขนาดไหน เพราะนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะเป็นธรรมชาติก็จริงอยู่แต่เวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเวียนไหวาตายเกิดซึ่งสูงสู ง, ส ง, สงต่ําๆรุ่มรุ่ ม, มดอนๆอนพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในอดีตชาติพวกเราคงจะได้สังสมคุณงามความดีเอาไว้สาธุเนอเหมือนกับเราเกิดมาชาตินี้แหละ เกิดมาชาตินี้เราก็ได้ทำบุญเวลาจะทำบุญเราก็จบบนศีรษะสาธุนเกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอให้ผู้ฆ่าไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมจะให้ผู้ฆ่าได้พบประสบต่อสิ่งมหันตภัยทั้งหลายทั้งปวงจะให้ได้จะได้พบคนพ่านอย่างนี้คือเราตั้งความปรารถนาในจิตในใจของพวกเราเอาไว้เพราะนั้นเราจงมาเกิดได้มาเกิด ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็ได้มาเกิดพบหลักพระพุทธศาสนาได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบประเทศชาติบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัยนี่แหละ อันนี้ก็คงจะเป็นบุญกุศลของเราความปรารถนาของเราในอดีตชาติเนี่ยปุเพจักตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราประมาทเลเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จริงเกิดมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จริงถึงจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็เถอะแต่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเลย กินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเลเทเมาไม่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดีไม่ได้ลื่ไม่ได้สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่ได้สนใจเรื่องคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ไม่ได้สรงอไม่ได้สนใจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีออกจากชาตินี้ไปนั้นตกต่ำเลยได้เลหัวทิ่มบ่อเลยว่างั้นอะ อันดับแรกเพราะตัวเองทำกรรมชั่วตกนรกหมกไหมออกจากตกนรกขุกไหมขึ้นมากลับมาเป็นเปรตเป็นสัตว์เทวิชนกว่าที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกมันต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญเก่าพามาเกิด ละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วข็ให้สั่งสมคุณงามความดีไว้เนะิ่อย่าประมาทตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปปูนคุณโทษมีจริงในชาตินี้ขอเถออนรกมันมีนรกเมืองมนุษย์คืออะไรคือคุกคือตารางนั่นน่ะสวรรค์คือคืออะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินคำทรัพย์สมบัติใช้สะดวกสบายไปที่ไหนส ะ, สะดวกสบายอันนี้แหละสวรรค์เมืองมนุษย์ที่เห็นเห็น นรกเมืองมนุษย์ก็อย่างที่ว่า น, นั่นน่ะเอ่ยทาไมเขาจึงไปตกนรกอย่างงั้นเพราะเขาทํากรรมชั่วเอ่ยกรรมชั่วคือเลยไปลักไปป้นไปจี้ไปขโมยไปเบียดไปบางไปอะไรเขาจับเข้าคุกเพราะเหตุไรเพราะทํากรรมชั่วคนที่ทํากรรมดีนั่นคืออะไรประกอบคุณงามความดีทํามาหาเลี้ยงชีพสำ ม, มาชีพเอ่คิดดีพูดดีทําดีเอ่ยไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นถุก ในเพื่อนในฝูงในหมู่ในคณะไม่ได้เบียดทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวเองนี่แหละบุญกุศลมันเกิดเเพราะในปัจจุบันคนนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขไปที่ไหนๆก็มีแต่คนนับยกย่องเชิดชูบูชานับถือเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนดี น, นี่แหละความดีไปทางนู้นทำความชั่ว มันไปทางนี้ทางตำ่ำเพราะนั้นพวกเราให้เลือกทำคุณงามความดีอย่าไปทำกรรมที่มันไม่ดีกรรมที่มันไม่ดีนั้นเราจะเดือดร้อนนะเมื่อเมื่อภายหลังถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะส่งเสริมให้มีแต่ความสุขความสบายใจเย็นใจนะได้มาวัดหลวงพ่อทั้งทีหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดหรือเป็นสิ่งที่นะี่นำ เป็นแนวความคิดทางจิตใจให้แก่คณะชาติา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะแต่บางท่านบางคนก็ได้เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านอาจจะได้พูดได้อะไรให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ถึงยังไงก็เถกกิเลส ข, ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ พอไปห่างๆเหินๆไปสักหน่อยมันก็หุ้มเข้าเรอมันเกิดขีดส้นิมเก๋เข้าเก๋เข้าเหมือนกันนะแต่พอได้ยินได้ฟังสักครั้งนึ่งเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์เอมันเก๋เมฆหมอกมันเบาบางขึ้นมาก็เออมองเห็นอะไรได้บ้างฮะแต่พอเราไม่ได้สนใจเข้ามามันก็เก๋เข้าอีกอย่างเก่านั่นเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาธรรมะเมื่อเราศึกษาแล้วกัน นำมาคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลจิตใจของเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดมีแต่ปุงฟุ้งไปทตทางโลกอยู่เสมอมีแต่เอาเอาเอาเอาเอาอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายนะามันก็จะลุ่มหลงมัมอมอไปเรื่อยอย่างนันกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะทับสมจิตใจของเราพอกพูนขึ้นไปเรื่อยนะถ้ามีธรรมะในจิตใจแหละเอยชีวิตของเรา มันไม่ถึงร้อยปีนะวะควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาควรจะดูแลบิดามารดาควรจะช่วยเหลือประเทศชาติปานเมืองอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นก็จะให้ขาดตกบกพร่องด้วยความไม่ประมาท น, นี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอก พวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรอนุมโมทนาให้พร